เพรเทียบกันแล้วต้องถือว่ากายใจเป็นของปลอมดำรงอยู่ครู่หนึ่งแลเละเลือนไปกลายเป็นอื่นจากสภาพที่ปรากฏอยู่รุงประกอบขึ้นเหมือนหุ่นคนที่ชิ้นส่วนต่างๆมาประชุมคุมรูปได้เพียงชั่วคราวตอนเกิดก็ร้องไห้แสดงความทุกตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ร้องอดโอยแสดงความทุกตอนตายก็ร้องครวญครางแสดงความทุกแม้ตอนมีชีวิต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 รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่38บรรลุธรรมขณะติดคุบได้ไหมรกรณีเฉพาะตนของกระมนอาชีพผู้คุมนักโทษลักษณะงานที่ทำดูแลนักโทษอาสานำหนังสือซีดีและสื่อธรรมะเข้าห้องสมุดเรือนจำตลอดจนแจกจ่ายนักโทษที่รู้จักคุ้นเคย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 ไม่ใช่สุขจากการที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปและไม่ใช่สุขจากการเปลี่ยนวิธีคิดแบบโลกโลกด้วยนักเจริญสติที่ยังต้องทำงานทางโลกนั้นส่วนใหญ่จะมาแนวเดียวกันคือเป็นสุขกับการรู้จักดูโลกภายในเสียบ้างแตกต่างจากเมื่อครั้งที่เอาแต่ดูโลกภายนอกท่าเดียวเท่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเจริญสติไม่ใช่แค่เอาสุขเป็นที่ตั้ง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 หากหวังปริญญาโทต ร, รีหรืออนุปริญญานะครับดดบทความโดยดังตรินจากนิจยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่54เสียงอ่านโดยโจโฉ